แต่พระท่านว่าน ะ, ะมนุษย์ก็มีกรรมเป็นของตัวเองค่ะอีพ่องเกิดติดตาต้องใจเจ้าเสด็จลูกชายของเยแปวว่าที่แม่ผัวแกก็เลยทาหน้าที่เป็นเท่าแก่มาสู่ขออีพ่องกับลุงโถพี่ชายแท้ๆของพ่ออีพ่องแต่โถแกก็ไปสอบถามอีพ่องแกก็ยอมรับว่าไม่ขัดข้อง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 โดยที่โดนมันยืนอุ้มลูกแอบอยู่ในเงามืดพอคนเดินมาอีผ่องก็ออกจากเงามืดยืนหันข้างให้คนที่ดวงแข็งก็จะเดินผ่านไปใครดวงอ่อนก็จะหยุดถามนะคะว่าดึกๆึกดินๆ น, นป่านนี้แล้มายืนอุ้มลูกตากน้าค้างทาไมเป็นแม่แบบไหนกันเนี่ยอีพ่องก็หันหน้ามาให้เห็นนะคะพอจาเขาได้แถมก็ยังบอกว่าแบบผีอีผ่องไงละจ้า